ให้เขาเจริญในทานศีลภาวนาด้วยเริ่มตั้งแต่เป็นแนะนำในกรอบกรัวของตัวเองทำบุญกับลูกกับหลานก็ได้ด้วยธรรมเทศนาใหม่นี้ถ้ายิ่งเป็นเรื่องที่ยากหรือเขาไม่เคยสนใจเราก็ได้ฝึกตัวเองหาทางที่จะสอนที่จะแนะนำอธิบายให้ได้ผลทำให้เขามีปัญญาทำให้เขาทำดีเป็นคนดีได้ เราเองก็ลื้มใจได้พัฒนาก็ยิ่งได้บุญมาก